Mm hm ปัญหาอย่างหนึ่งที่คิดว่าหลายคนเจออยู่บ่อยๆ บ, บางคนเนี่ยเจอทุกวันเลยก็ว่าได้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นโยมหรือพระนั่นคือหาของไม่เจอไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่หน้าที่หาของไม่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพราะวางไว้ไม่เป็นที่มันไม่ใช่เป็นของที่เก็บไว้นานๆเป็นปีนะ บางทีมันจะเป็นของที่เพิ่งใช้เพิ่งใช้หยกๆยกหรือว่าเพิ่งใช้ไม่นานเช่นดินสอแว่นตากุญแจกระเป๋าโทรศัพท์นยิ่งคนที่ทำอะไรต่ออะไรมากมายนี่ถึงเวลาหาหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะ วางไว้ไม่เป็นที่ไอตอนหยิบเนี่ยนะคนเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะประเภทหยิบโน่นหยิบ น, ôn, บนี่แบบหยิบมั่วๆนี่ไม่ค่อยมียกเว้นประเภทคนเป็นโรคจิต เ, เข้าห้างเห็นของถูกใจห้ามใจไม่ได้ก็คว้าเลยแบบนี้นะบางทีมันเป็นโรคจิตนะเพราะว่าแม้แต่คนรวยดาราหลายคนเนี่ย ก็มีโลกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะคว้าเอาไวนะ้ห้ามใจไม่อยู่แต่แบบนี้มีน้อยนะส่วนใหญ่เรื่องหยิบนะไม่เป็นปัญหาให้เป็นปัญหาตอนวางให้มือเราเนี่ยนะมันวางอะไรไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่เสร็จแล้วพอจะใช้ก็ต้องหา เสียเวลาหาแว่นตาเสียเวลาหากุญแจนี่นี่เป็นชั่วโมงไงทั้งๆที่เพิ่งเพิ่งหยิบเพิ่งจับนะเมื่อไม่นามมนมานี้เองบางคนแว่นตานี่หมดไปไมร้กี้อันแล้วนะเพราะว่าหาไม่เจอถึงกับต้องวางต้องซื้อมาหลายๆอันแล้วก็วางไว้เป็นจุดๆนะ การลืมให้ร่างกายของเรานี่นะโดยว่ามือนี่มันมีปัญหากัานบ่อยๆนะวางไม่เป็นที่ท่านตรงข้ากับใจเรานะไอ้ใจเรานี่มันไม่ปัญหาอยู่ที่การวางนะปัญหาวิธีการยึดการจับการเฉวยเฉวยตะพึกตะพือใครพูดอะไรไปใจก็ใจก็ไปจับมา เก็บเอามาคิดเอามาคุ้นคิดแล้วก็พูดถึงเราหรือเปล่านะบางทีบรรยายไปเนี่ยนะหลายคนก็ช่วยจับคำบางคำหรือว่าบางประโยคไม่ใช่เอามาใคร่ครวนนะแต่เอามาทาร้ายตัวเองว่านอ่อาจารย์เขาพูดถึงเราหรือเปล่าเขาว่าเราไม่ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่วางสักที แต่นั่นก็ยังดีนะดีกว่าไปจับไป่วยเอาคำตำหนิคาติเตียนคำต่อว่าหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ บ, บางทีเพื่อนพูดด้วยอารมณ์หลุดไปบางคำก็ไปเก็บเอามาคิดนะเป็นวันที่จริงๆจะว่าเก็บเอามาคิดงคงไม่ถูกแล้วเก็บมาทิ่มแทงใจตัวเองมากกว่า ยึดนะใจเราที่มันยึดตลอดเวลายึดตะพื้นตะพือแล้วก็วางไม่เป็นยึดรวมทั้งยึดว่าเป็นของเราไปไปฟังบรรยายในห้องประชุมเห็นที่นั่งว่างก็ไปนั่งนั่งไม่นานนะก็จะไปยึดว่าเนี่ยที่นั่งของฉันพอลุกออกไป อาจจะลูกเข้าห้องน้ํากลับมาที่นั่งนั้นมีคนนั่งแล้วโกโรธเลยนะนั่งที่นั่งของฉันทําไมนะไปยึดแล้วเป็นที่นั่งของกูท่านั่งที่เพิ่งนั่งได้แค่สี่ห้านาทีแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยซ้ำํำบัเป็นเก้าอี้ของห้องประชุมของโรงพยาบาลของหมหาวิทยาลัยก็ไปยึดแล้วเป็นของกูอย่าว่าแต่ที่ไหนเลยที่นี่ก็เหมือนกันนะ มาหาที่นั่งได้ในหอตไตรระหว่างที่ทำวัดสดมนพอทาวัดใสสมบัเกิดเข้าห้องน้ำทำวัสดมนเสจก็เข้าห้องน้ำขึ้นมาเอามีคนมาจับจองหรือมันั่งซะแล้วก็ไม่พอใจหาว่ามาแย่ยงที่นั่งของฉันไปใจนี่มันยึดตะพืนตนพือทั้งที่มันก็ไม่ใช่เป็นที่ของเราสักหน่อย ไม่แต่สิ่งที่ไม่น่ารักนะเช่นความโกรธความเกลียดนะความเศร้าการปรุงแต่งในทางลบทางร้ายมันไม่ดีสักหน่อยก็ยังไปยึดโ ก, โกรธแบบเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนเนะกลียดฝังใจรวมทั้งความปวดความเมื่อยหรือทุกขเวทนามันดีตรงไหนนะแต่เวลาปวดเวลาเมื่อยนใจมันก็ไปยึดนะ ไปยึดไปถือเอาไว้จดจออยู่กับตรงที่ปวดนั่นแหละไอ้ตรงที่สบายไม่สนใจไอ้ส่วนที่มันสบายผ่อนคลายนี่มีทั่วตัวไม่สนใจไปยึดไปจับแต่ตรงที่มันเมื่อยอยเช่นที่เท้าที่ขาปวดฟันเนี่ยนะยิ่งปวดฟันยิ่งชัดใหญ่นะไปจับก็ไปจับอยู่ตรงไอ้ความเจ็บที่ฟันนี่แหละ ไอ้ส่วนอื่นนี่มันสบายไมย่สนใจเอาแต่จะจับตัวทุกขเวทนาวางก็วางไม่ได้ไม่ยอมวางด้วยซ้ำขัดขืนต่อสู้จะให้วางความโกรธก็ไม่ยอมกูจะยึดเนี่ยกูจะถือกูจะแบกเอาไว้เนี่ย <c oughs> แปลกนะกายกับใจนี่มันนิสยัยมันตรงข้ามกายเนี่ยนะ เช่นเมืองเรานี่มันวางง่ายเหลือเกินวางจนเป็นปัญหาคือวางไม่รู้คือวางไม่เป็นที่เป็นทางไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนแต่ใจนี่มันแบกมันยึดมันจับเรียกว่าตะพึ่ตะพื้เลยทั้งที่มันเป็นโทษนะต่อจิตใจก็ยังแบกเอาไว้ยังจับเอาไว้ทั้งหมดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะมันก็มีสาเหตุที่มาอันเดียวกันนะก็คือความไม่มีสติ ากายเนี่ยมันไปยึดไปจับอะไรเนี่ยากายนี่มันไปมันวางอะไรต่ออะไรไม่เป็นที่เป็นทางเพราะมันไม่มีสติคนเรานี่เวลาจะวางอะไรเนี่ยถ้าเราเรามีสติใส่ใจนะวางไว้ตรงไหนก็จําได้หรือว่าเวลาจะวางก็จะวางนะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงจุดที่มันสมควรจะวางไม่ใช่ว่า วางตรงไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็วางแบบไม่มีสติเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใจมันไปอยู่กับสิ่งที่อยากจะยึดอยากจะจับมือนี่อาจจะถือปากกาอยู่หรือว่าถือกุญแจอยู่แต่ก็บังเอิญมีเหตุจะต้องหยิบจับปากกามาเขียนข้อความหรือว่าหยิบจับโทรศัพท์ใจมันไปอยู่ที่ปากกาใจมันอยู่ที่โทรศัพท์แล้วเพราะต้องการหยิบมาใช้งานไอ้ตอนวางของที่อยู่ในมือ มันก็เลยไม่สนใจไงว่าวางไว้ตรงไหนถือกุญแจอยู่ในมือแต่ว่าจะไปหยิบแว่นตาหยิบปากกาหยิบโทรศัพท์ใจมันไปอยู่กับสิ่งหลังเนี่ยใจมันไปอยู่กับแว่นตาปากกาโทรศัพท์มันก็วางกุญแจไว้แบบไม่สนใจถึงเวลาจะใช้ก็หาไม่เจอ ปัญหานี้ก็ง่ายมากนะก็คือว่าเวลาจะวางของอะไรก็ใส่ใจอยู่กับของนั่นก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจอยู่กับของที่จะหยิบน ะ, ปะไปสนใจของที่จะหยิบเนี่ยอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันคืออะไรคือของที่อยู่ในมือนะเมื่อจะวางนะเราวางด้วยความใส่ใจถึงเวลาจะใช้ก็นึกออกว่าจะวางเอาวางไว้ที่ไหนนี่เป็นการฝึกสติ ง, ง่ายๆนะ ไม่ต้องคิดแต่เรื่องการมาเดินจงกรมสร้างจังหวะเดินจงกรมสร้างจังหวะดีนักขยันแต่ว่าเวลาวางของไม่ใส่ใจไม่มีสติอยการวางแล้วสติมันจะจรเลยงอกงามได้อย่างไรวันวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยวางของเนี่ยนะอัตมาว่าเนี่ยเป็นร้อยครั้งนะ เป็นร้อยครั้งเนี่ยวันหนึ่งน่าวางของวางเสื้อผ้าวางแปรงสีฟันวางปากกาวางโทรศัพท์วางกุญแจวางแก้ววางไม้กวาดแค่เรามีแค่เราฝึกสตินะอยู่กับการวางนะเวลามือมันจะวางอะไรเนี่ยให้กำหนดซะให้รู้นะ ว่าวางไว้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจว่าจะไปหยิบอะไรอย่างที่บอลธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะไปสนใจกับสิ่งที่จะหยิบส่วนสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยนะไม่ค่อยสนใจละเพราะว่าไม่ใช้ประโยชน์ละก็เลยวางวางให้เป็นที่เป็นทางเพื่อมือมันจะได้ว่างไปหยิบของอะไรสักอย่างไอ้กายเราเนี่ยไม่มีปัญหาในการหยิบนะแต่มันมีปัญหาในการวางเราก็ฝึกนะวางอย่างมีสติ และสิ่งที่จะตามมาคือว่าเวลาที่จะเสียไปกับการตามหาของเนี่ยมันก็จะน้อยลงคนเราเนี่ยเสียเวลาในการตามหาของในบ้านวันหนึ่งนี่ก็หลายนะอาทิตย์หนึ่งก็เป็นชั่วโมงรวมกันละเดือนหนึ่งอาจจะเป็นวันก็ได้ไอ้ตามหาของที่มันเห็นด้วยตานี่ยังเสียเวลาขนาดนี้นะ แล้วตามหาของที่มันไม่เห็นด้วยตานี่มันจะเสียเวลาขนาดไหนเนีย่ยฝึกสตินี่ง่ายๆนะฝึกด้วยการวางของให้เป็นที่ค่ะเดียวกันก็เมื่อเราฝึกแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันทาให้เรามีสติเวลาใจมันไปยึดอะไรมันจะปล่อยมันจะวางได้ง่ายอย่างที่บอกไว้แล้วนะืวัตใจเนี่ยนะมันมีนิสัยตรงข้ามกับกายกายนี่วางของไม่เป็นที่เป็นทางสเปรดสะปะไปหมด มส่วนใจนี่มันยึดนะยึดจับตะพึตตะพือทั้งที่มีประโยชน์ทั้งที่ไม่มีประโยชน์ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสิ่งที่บันทอนจิตใจใจนี่มาจับไปยึดกับความสุขในอดีตอันนี้เรียกว่าฝันกลางวันหรือใจลอยมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าถ้าฝัน หรือว่าไปรอลึกถึงความสุขในอดีตขณะที่กำลังฟังทำขณะที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังอ่านหนังสือเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้หรื อ, อยังน้อยก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฝึกสตินะจากการที่วางของไม่เป็นที่นี่แหละมากำหนดรู้เวลาวางสติที่ได้มาเนี่ยมันจะเอามาใช้ในการช่วยทาให้ใจเนี่ยมันวาง วางได้เร็วขึ้นเพราะรู้ทันไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่นะมาลุ้นแล้วแต่เกิดเพราะความยึดติดมันยึดแล้วไม่วางทั้งที่มันสมควรจะวางได้แล้วมันผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดเก็บเอามาเหมือนกับกดทับจิตใจบีบคั้นจิตใจเผาลนจิตใจทั้งหมดนี้เกิดเพราะความไม่รู้ตัว ถ้ามันรู้ตัวเมื่อไหร่นะวางเลยนะเพราะรู้ว่าแบกแล้วเป็นทุกข์ไอตอนที่แบกเนี่ยทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้ทุกข์เท่าไหร่หรอกมันเป็นทุกข์มากกว่ามันก็เลยแบกเอาไว้ยิ่งเป็นทุกข์ก็ยิ่งหลงนะยิ่งหลงก็ยิ่งแบกยิ่งแบกก็เป็นทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งหลงยิ่งหลงก็ยิ่งแบกมันเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละ ไม่ต่างจากสูบบุหรีนะพระสูบนะจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราอยากจึงสูบสูบแล้วก็ติดติดแล้วก็อยากอันนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกนะไอ้เรื่องอารมณ์ก็เหมือนกันนะแบกแล้วเป็นทุกข์นะทุกข์แล้วก็ลืมตัวหลงหลงก็เลยแบกหนักเข้าไปใหญ่ต้องตัดวงจรนะตัดวงจรตรงไหนตรงที่รู้ตัวนะทําให้ความหลงมันหมดไปวตัตถจักรชั่วลามก็ขาดนะ เพียงแค่รู้ที่นั่นมันก็หลดนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กินกับสามีมาสิกกบกว่ปีแล้ววันนึงก็เพราะว่าสามีนี่นอกใจตอนที่รู้ว่าสามีนอกใจโกรธมากนะโกรธแล้วก็ผิดหวังด้วยเพราะเคยคิดว่าเขานี้เขาซื่อตรงกับตัวเองกับเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันเป็นการเสแสร้งหลอกลวงโกรธมากถึงขั้นพูด ขึ้นมึงขึ้นกูนะกับสามีนั่งที่เคยเคยหวานมาก่อนรู้สึกว่าไอเวลาสิบกว่าปีที่อยู่กับผู้ชายคนนี้มันสูญเปล่าไร้ค่าสุดท้ายก็เลิกกันก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เนี่ยก็เคยคิดว่าจะอยู่เขาจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเขาเนะพอะรักกันมากไอตอนเลิกกันก็ไม่ไแน่ใจว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า แต่ปรกว่าก็ก็อยู่ได้นะยังแปลกใจตัวเองด้วยซ้ำว่าทำไมไม่เป็นไม่เสียศูนย์นะยังเป็นพูดเป็นคนก็อดชมตัวไม่ได้เออทําใจเก่งทําใจได้หลังจากนั้นไม่นานก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมประมาณเจวันปรากว่าแค่วันแรกเท่านั้นแหละนะก็เป็นเรื่องเลยเพราะว่า จิตใจมันรุ่มร้อนมันคิดถึงแต่อดีตสามีเนี่ยนะที่หักหลังหลอกลวงนอกใจรับแค้นใจมากโกรธมากเอจิคิดว่าทำใจได้จริงไม่ได้เลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มาปฏิบัติทำเนี่ยที่มันไม่มีปัญหานี่รบกวนคงเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมาย นะใจมันก็เลยไม่ว่างที่จะคิดแต่พอปฏิบัติธรรมใจมันว่างเนี่ยมันก็คิดเรื่องนี้แหละนะอดีตสามีที่หักหลังทรยศยิ่งคิดก็ยิ่งคุยนะความไม่ดีของเขาขึ้นมาก็ยิ่งโกรธนะไม่มีความสงบเลยทั้งที่ก่อ น, น, น้นั้นเวลามาปฏิบัติธรรมนี่ใจมันสบาย วันแรกผ่านไปก็ร้อนรุ่มัาที่สองก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าเดินจงกรมไม่ว่านั่งสมาธิมันมีแต่ความร้อนแผดเผาใจรู้สึกว่าตัวเองนี่ทำไมนะทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้วันที่สามก็ยังเหมือนเดิมเนะาะจนกระทั่งมันไม่ไหวมันทรมานมากก็มีช่วงหนึ่งนะเขาเดินจงกรมอยู่ เอามือเนี่ยวางไว้มือซ้ายมือขวานี่เกาะไว้นะวางไว้ข้างหน้าประสานมือเดินจงกรมก็เดินนานเป็นชั่วโมงแล้วก็เริ่มรู้สึกเมื่อยเมื่อยเมื่อยมือเมื่อยแขนพอเมื่อยทำยังไงก็ก็ปล่อยมือนะพอปล่อยมือมันก็สบาย ไอ้ช่วงนันเองที่เขาได้คิดขึ้นมาเลยนะและพอได้คิดเนี่ยทำให้เขาสบายไอ้ความทุกข์ในใจมันก็หลุดไปด้วยแล้วเขาได้คิดว่าทุกเนี่ยพอถือพอปล่อยแล้วมันสบายการที่ได้ปล่อยมือนี่นะมันทําให้เขาได้เห็นเลยนะโอ้เพียงแค่ปล่อยนี่มันก็สบายนะ ก็มาตันหนักเลยไอ้ที่เราทุกข์ใจเนี่ยนะพอไปถือไปยึดเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะเอามาคิดทำไมไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่คิดมันไม่รู้ตัวนะแต่พอ ร, รู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้เราไปแบบไปยึดเอาไว้แล้วก็ได้คิดว่าพอปล่อยจึงสบายจิตมันปล่อยทันทีเลยนะ มันปล่อยทันที่พอปล่อยนี่ไปไงสบายไอความทุกข์ความรุนรนใจที่มันกดมันทับมันเผารนใจนี่มันหายไปเลยไม่ได้ทําอะไรมากเพียงแค่รู้นะเพียงแค่รู้ว่าไปแบกไปถือไปยึดเอาไว้นะแล้วก็ได้คิดจากการที่มือเนี่ยนะที่เคยประสานกันเอาไว้เป็นชั่วโมงมันปล่อยจริงปล่อยมือเนี่ยปล่อยไม่ยากนะเพราะมือเนี่ยนะเวลามันเหนื่อยมันเมื่อยนะมันอยากจะปล่อยมันอยากจะคลายอยู่แล้ว ธรรมชาติของกายเนี่ยจะให้มันแบกอะไรเนี่ยนะมันแบกได้ไม่นานหรอกมันอยากจะปล่อยอย่างเดียวเลยแบกบาแบกเก้าอี้หรือว่าถือของเนี่ยกายนี่นะมันไม่อยากจะถือไม่อยากจะแบกวางได้เมื่อไหร่มันวางทันทีไอ้ใจนี่มันตรงข้ามนะมันอยากจะถือมันอยากจะแบกมันไม่อยากวา ลิสัยมันตรงกันข้ามจังที่มันทุกข์มันก็ยังแบกเอาไว้ในใจเนี่ยบางทีต้องอาศัยกายช่วยสอนนะอาศัยกายช่วยสอนอย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยกายมันสอนนะไอ้มือที่ถือที่ประสานกันไว้นานๆนี่พอปล่อยนี่มันสบายมันก็ไปเตือนมันก็ไปบอกใจว่าเฮ้ยปล่อยสักทีเดี๋ยพอปล่อยแล้วมันสบายใจมันก็ปล่อยจริงๆนะบางที คนเรานี่ใช้กายเนี่ยเป็นครูสอนก็ดีเหมือนกันนะกายนี่มาสอนในเราเราได้หลายอย่างนะกายนี่มันสอนว่าสอนให้เราเนี่ยรู้ว่าแบกนี่เป็นทุกข์รนะ่างกายมันฉลาดเกิดใจมันจะให้มันแบกอะไรเนี่ยนะมันจะแบกได้ไม่นานนะมันก็อยากจะปล่อยถ้าใจเราเนี่ยนะมีนิสัยแบบกายบ้างสบายเลยนะมันจะปล่อยได้ง่าย แต่ใจเรานี่มันโง่นะจะว่าไปโง่กว่ากายนะกายนี่ไม่ยอมแบกอะไรแต่จะให้แบกนี่ต้องใช้ความอดทนมากอยากจะปล่อยถ้าใจเรามีนิสัยแบบกายนะเราจะมีความสุขขึ้นเยอะคือเราจะปล่อยอย่างเดียวเลยไม่แบกไม่ยึดเอาไว้กายเราเนี่ยนะมันชอบอยู่นิ่งๆ น, นะจะให้เคลื่อนจะให้ขยับไปไหนมันไม่อยากไปหรอก ไอ้ใจนี่ยตงหากตรงข้ามนะชอบท่องเที่ยววิ่งไปตะพึดตะพือชอบเดินทางเดินทางไม่เดินทางเปล่าไปไหนก็ไปหยิบเอาขยะนะเอาก้อนหินเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองไอ้เพราะจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านนี่แหละที่ทำให้ผู้คนเป็นทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ นะถ้าใจเราเนี่ยมีนิสัยอย่างกายนะก็คือว่าอยู่นิ่งเป็นบั่งชอบนิ่งนิ่งบ้างนะใจเราจะเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยถ้าใจเรานิ่งเสียบ้างนิ่งอย่างกายนะไม่ค่อยอยากจะออกไปท่องเที่ยวออกไปตระเวนไปขุดคุยเรื่องราวความเจ็บปวดความทุกข์ต่างๆจากอดีต หรือไปแบกเอาความกังวลที่จะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยไอ้ที่เรามาฝึกเนี่ยก็เพื่อฝึกเพื่อให้ใจมันนิ่งให้นิ่งเหมือนอย่างให้ชอบนิ่งอย่างกายบ้างเอากายเป็นครูบ้างก็ดีนะใจเราเนี่ยนะรู้จักชอบปล่อยชอบวางไม่ชอบแบกนะแล้วก็พอใจกับการอยู่นิ่งๆ แต่กายนี่ถ้ามันอยู่นิ่งๆก็ไม่ดีนะเพราะว่าทุกวันนี้มันกินเยอะแต่ว่ามันไม่ออกกำลังกายสุขภาพกายก็จะแย่เอาเพราะต้องฝึกให้กายเนี่ยมันออกกำลังกายบ้างคือให้กายเนี่ยนะวิ่งบ้างนะจริงๆมันต้องสลับกันนะฝึกใจเนี่ยให้เหมือนกายนะฝึกกายให้เหมือนใจมันจะดีขึ้นมากเลยจะมีความสุขมากเลยฝึกใจให้นิ่งเหมือนกายนะ เราก็จะไม่เครียดไม่วิตกกังวลง่ายแล้วถ้าฝึกกายให้ชอบชอบวิ่งชอบเที่ยวเหมือนเหมือนใจนะคือออกกาลังกายบ่อยๆเขยื้นขยับบ้างนะสุขภาพก็จะดีกาเดียวกันเนี่ยนะฝึกใจให้ชอบให้ชอบวางหรือวางง่ายๆเหมือนกายนะมันก็จะช่วยทำให้เรา นะสบายขึ้นจิตใจสบายนี่ลองนะเอากายเนี่ยมาเป็นครูสอน mm hmm. ก็สอนในรือนอะใรใจเราได้เยอะแยะนะทั้งเรื่องการปล่อยเรื่องการวางเรื่องการอยู่นิ่งๆเป็นที่เป็นทางอ า, าว้าติกับกุทท่านนี้นะกลับฮะ